ปชาธิปไตยธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยเป็นคําสอนพระพุทธศาสน า, ป, าประชาธิปไตยเป็นชาวโลกพระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาธิปไตยเอาทําเป็นใหญ่ไม่เขอาข้างพักข้าวพวกคนจะมากสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่เป็นธรรมมาธิปไตยก็ไม่เอาพระพุทธศาสนาสอนโลกพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาของโลก ม่จะเกิดในประทเทศอิเดียระตามแต่เป็นของการของโลกาศาสนาอื่นเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสถานหมดน่านห้วยน้องคลองเบืองบางต่างๆก็เป็นเมืองขึ้นของมหาสมุทรทเรเสฉิตรจะมีสิริราชก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือทฉันได้ก็เรีคนาำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นของวัุทศสถานโดยไม่รูตัวใครจะบัญญัติไม่มบัญญัติก็ตาม ใครจะรู้เท่าหรือไม่ร in ู้เท่าประทามไม่ขึ้นหนูพระพุทธูไม่ขึ้นหนูพระพุ่ธมมันเป็นจริงอย่างนั้เรียกว่าอริยสัตว์ศาสนาแต่ละศาสนามันก็ดีอยู่แต่มันดีประคนละอย่างแต่บางอย่างก็ไม่ดีพระพุทธศาสนามันดีหมดไม่มีสิ่งเชื่อมาดีแต่บุคคลพูกปฏิพฤตปฏิพฤตไม่ดีก็ประกาศตูพระพุทธศาสนาไม่ดีก็ไม่ยอมอะไมันเรื่องของแต่ละบุคคลเครื่องไม่ลำเอียงเขากับชั้นวันละใครเอาไปเห็นไปิดมันก็คือเกลืนหมดี คิดมากก็เสมากคิดมากก็มากน้ําตาลก็เหมือนกันคนเราถ้าไม่มีอย่างอายตบาบไม่มีความกลัวต่อบับแล้วนี่ละองพุทธศาสตร์นะลของพุทธศาสตร์นะต้องมียางอายตบาบต้องมีความกลัวต่อบาบจึงจะปกครองกันอยู่เรียกว่าทำในโรกบาลทําเป็นโรกบาลปกครองโลคมีอยู่สองข้อความละอายต่อบับกลัวตบับเท่านั้นจะปกครองนั้น ถ้าไม่มียางอายตว่าไม่มีความกลักกวถัวกลัวตบ่าแล้วก้นไ ม, กมก้ก้นหมู่ก้นพักก้นพวกก้ตั้งไม่อยู่อู่ของทำก้อนแนะนำคํานึงก็งหมดชื่อเพิ่งคื น, คนอิงอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับกฎหมายจะตั้งกี่ล้านรานมาตราก็ตามมันก็ไม่อยู่เพราะมันไม่มียางอายเพราะกฎของใจมันไม่มีเรื่องกิเลสมันจะเป็นยังไงก็าสรางหัวมันมันก็ไม่อยู่เหมือนกันละ่ะ ที่จะทุจริตอะไรพาทํำทุจริตก็เพราะเกียดใช่ไหมนั่นถ้าไม่มีเกียดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำทุจริตนั่นทั้งในที่รับและที่แจ้งนั่นเ <c oughs> พราะมีอย่างอายแลนะถ้าไม่มียางอายตบบาปไม่มีความกลัวตบาปแล้วจะเรียนจบถ้าใจพี่ด็กก็ตามเถิดไม่กานต่อเองบอกแจ้งชาขาจินข้าวข้ากล้วยแต่ไม่รู้ตะกล้วยเหมือนช่อน <c oughs> <c oughs> ตาแกงอยู่หมดวันมันก็ไม่รู้จักรถมันเม่ไม่ไม่ไม่เหมือนรีดรีดจิ๊บดูมัก็รู้จักก็เหมือนบุคคลสิเดียนจบภาษาจี่ดกะแต่ไม่มีธรรมะเมื่อไม่มีธรรมะอยู่ที่ดวงใจธรรมะต้องอยู่ที่ดวงใจต้องละอายต่อว่าต้องกลัวต่อว่าเป็จะปกครองกันอยู่ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลีย ไม่ใช่อาวุธยุทธภัณฑ์หรืศาสตราคามข้างหนึ่งกับของสองข้างคาวามระอายตระบาดความกลัวตระบาดเท่านั้นเป็นธรรมาริปไตยไม่ใช่ประฐาชาติปตะตยเป็นทำทิปใจทิปเป็นโลกทิปแต่ทิพไปทางดีธรรมทิพเป็นเป็นแปรได้สองทางไฟเราไปจับมันก็เป็นทิปเหมือนกันเป็นโลกทิปไปในทางรอน เรเว้นมันก็เป็นโลกทิพเหมือนกันเป็นเป็นโลกทิพย์ใช่ไหมเรอใจเป็นของทิพเหมือนกันทำดีก็เป็นทิอยู่ที่ใจทำชั่วก็เป็นทิพอยู่ที่ใจใจมีปฏิหารเหมือนกันทำดีก็มีปฏิหารทางดีทำชั่วก็มีปฏิหารทางชั่วบุคคลเราไม่รู้จักปฏิหารลับตาเข้าเป็นปฏิหารมืดลืมตาก็เป็นปฏิหารเห็นเกิดมาเป็นปฏิหารทางแก่เก็บตาย พระอาหารหันต์เป็นปาฏิหารทางไม่เกิดแก่เก็บตายไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระอาหารหันต์พวกโจรเป็นมีปฏิหารทําทางพุ่งแต่นักปราชญ์มีปฏิหารทางทําดีนั่นแม่แรงเพิ่งมีปฏิหารทางกิ่งเกสรดอกไม้แม่แรงวันมีปฏิหารทางตอมไต่ ย, ยอดไก่ทาง ลงในของโสมุมทับถมทางคนอยากคว้างพิมใหม่พิจารพอแต่ตัวกลัวโสโผล่นำเชื้อโรคลงไปสู่อาหารใครกินเข้าไปก็ได้การเกิดโลกตายประมาณไม่ทวนเวลยรักการที่หกนักกาศที่ห กินตกกะกวีกินตกกะกวีภาคอีสานมันแพลระสนะ ส, สดคนกรุงเทพนี่ไัมยังมีกี่คนมีกี่ค น, คนกรุงเทพอยู่นี่ไม่มีมันก็ฟังออกภาคอีสานฟัง อ, ออกไหมพระเอกสันดอนท่านท่านหลุกท่านเจา้า ราชาวันนั้นเป็นวันอุโบสถปัญะรัษะปัญรษ ะ, ะเป็นภาษาบาลีเมื่อเรือนเจียงเพ่งภายพองสุกที่สองสลาวัตตาวานากรหอดจอดเึงหัวเงินจงกลมอสมบดสล า, านางผ่้เห็นอุดมสองอุดมหลุกเต่ามานางยุกขสาา่สลานางจึงถามเซิงพระบาทวา่สองลนานกุ ม, มานอจุติูัวสองกอมท่านแกนไทยรถลุกไม่หอดหน้นม เขาไปสู้สมรสสาราดีอยู่ฝั่งทั้งคู่กันหาอุทุนิขนจ่าหัวออกไปไายนอกเล่นแต่ขอสาราใน่คูหาเถือนทำตายทุกนามแน่น้องล่มพัดป้องร่มพัดป้องยี่ยอ ง, องหนือกขห้จองลองว่างนำพัดดังเขาทองตายทั้งพี่และน้องแล้วก็แม่ลืออุนโลจักอุนโลจัเป็นภาษาบาลีอันว่าหออกแจงกูแม่นี่าน่าเนี่ยแบบเป็นคับไท่เข า, าล้วเหมือนดังจักแต่จักสล า, า, า, ายนำน้หลายคัดเคียงติดต่อเบียงทั้งสอง ก็เป็นข้องทุกเพราะว่าข้องเห็นหนาหลูกก้ผาดทั้งสองแม่ก็ขืนต้นหมือนแล้วแน่แม่ก็ขืนตน้แแ น, ตนแค่แล้วรอยอ่อคอแม่ก็ขึ้นตน้นคอแล้วค่อยแม่ก็ขืนต้นรอยแล้วลำแม่ก็ขืนตน้นหมาตั้าแล้วหาเพราเห็นดวงตาข้มผ้าแม่ก็อวยหนาร้่งไหงายหัวเสื้อกินหรือเพราเห็นห้อยหลกักหูว่านากินหรือเ่าเห็นน้ำตีฟ้อง แม่ก็ไปคว้วเกี้ยวหาแม่หอน้องและะ้วไปอ่างพรวรักท่านนี่แม่มากแล้วพอเห็นเมียมากแล้วพอเห็นลูกลูกเขาเนีลูกเาเนี่นางสบายอยู่น่งสบายอยู่ลูกเขาเนี่ลูกเขาเนี่ยบ่บอกคันบอกมันย่านนา่งเสียใจอะไรย่านน่งตายลูกเาเีลูกเาเ่สันนางสบายอยู่ในภูเขาทีได้กว่ากดนั่นะเพราท่านลูกท่านเจ้าคนนังเร้ยาเปลนลูกคนนี้เราเป็ีนที่เก่าห มู้อวบัดยองขุนไปนั่นเนาะใส่มูห้าขากันตายถามเราบัปากลูกฮข้าไปใสลูกมะฮะฮอไปใส่กัน ท, ทําแท้ท้านเน่ภาพแล้วบัว ป, ปากเั้ยสะบ้าโยผัวผูเมี้ไปหาปลักใหม่ควมมันมาเมือนบ่ได้ยั้งเหมือนเพราะฝันบุรีมาขึ้นมาขึ้นฝันว่าไสา้นคนหนึ่งค้นดำๆมาเต็ นุ้งพาจงกระเบนปองคักได้จกแขนหนึ่งวะสันยางยกย ก, กมากแล้วขวดอาตาด้วยนี่ไปควดเอาแล้วนี่ไปกับขวดเอาแล้วนี่ไปกับแก๊ปปวดแต่หางโดนมาห่างเลยหายเลยดีวะสันเลวเห็นหงวะสันตื่นขึ้นมายาีมือเศ้ามาใจพอดีเนี่ยคือห็นก้อนฟันอันบอดีในราตรีขึ้นไก่จักสว่าง ไปหาบอกไหมหัวมั น, ม น, นมเมื่อน่าเมื่อที่ท่านลูกเมื่อเจ็ดือนเจียงเพ่งไฟฟองเดือนเจียงเพ่งเดือนเจียงเขาเอินเดือนยังฮะฮะเื่อน่เดือนเจียงว่าเ็นเดือนสามบอกเดือนสามเดือไม่น่าใช่มว่าไ่งั้นเดือนเจียงเดือนสามเดือนสามเพ่งท่านลูกะ เราไปหาบอกไม้หัวมันว่าได้มือนทิศสาอรวัตทิสาทางม้วนทุกแหงก็เกิดเป็นอันมือนยิ่งนักหนาพอเห็นยิ่งมืดตึบหมอกนางไปน้ำทงังคลอนกระตาไปไปน้ำทางเคยหาบอกไม้หัวมันได้เตรีมต้ามากมาแล้งมาไปผู้เดียวบัดมือสิท่านมือฝันฝันบอดีตื่นขึ้นมากกันมืดโลดฝ่าฝ่าเมิดหมอกยัง ไปก็เห็นถ้าพอนทางพอจงปองปองบาเห็นบบกมันของมันยังบ้าอะไบบดมือบ ไ, ได้มไรยังมาใส่กตาเลยบบกม่ไม่ของมันมาแตเว้นบายซ้ำเนี่ยภาพพูดันเขามากภาพพูดันภาพพูดันสู้ศกพูดั้นมาเกิดในครั้งของห้อยเป็นประเทศอาัดเด้อสู้ซกพูดันมาเกิดในข่าวศาสนาพระพุทธเจ้าของห้อยเป็นประเทศอัตนั่งกินจีเนี่ย ข้ามผู้ไหนมันได้มันม่ได้นังอมิตรตาวันอะได้ได้ผัวเถ่าแต่สาตร์กรานดอกไม้เหี้ยวเลยได้ผ <sh> ัวเถ่าผู Cross ้ใดจะปานดอกไม้เหี้ยวด้ธาตุดกไม่เหี้ยวบุ้าดอกไม้เหี้ยวได้ผัวเ่าว่า่นแล้วหายาตของแล้วขึ้นเจ้าไของว่าท่นนี่ก็ได้ผัวเถ่าว่าท่าผู้ใดเฮ็ดได้ส่ก็ได้เมียได้เมียเถ่าว่า่นในพระพุทธศาสนาม่เยอะ หน้าก็เลยไปหางอใหม่บางวัยงอวันกลับมากลัปปะพ่อตะเวนซัมมี่แหละมามาพอเสือหันเสือมาตัดนวัตถางเลมามามามามาจากไหนมาจากกรุงเทพมามาเจ็คนอนกันคนเดีย ว, เ, ยวเออคงกัฟังเขาไม่ออกเลย <c oughs> เขาพูดกัฟังไม่ออกเลย <c oughs> พวกเราไม่ได้ลงทุนเหมือนพระสมานพรพุทธเจ้าหรอกอันนั้นท่านเป็นพบะบรมศาตราจ้าต้องล ง, ลงทุนมากแล้วไม่รองต้องลงทุนมากขนาดนั้นเพราะเป็นสาวกสาวพิสาขันโมเห้าวเลยฆ่ากันตายใี้ท่านลูกบวปากปบวบว่าละฆ่ากันตายข้าพูมห้าว ถ้าเป็นมูเราก็ข่ากระตายข่าภูเขาละแล้วก่อนเคยอยู่ภาคอีสานไหมเคยเกิดที่ไหนไน่ะทีนี้คุณเคยอยู่ขอนแก่นนานไห ม, ไมแต่พูดภาษาภาคอีสานก็เข้าใจบ้างรู้เรื่องละจินตะกะวีรู้เรื่องไหมรู้ไหม กินตกวีถ้าพูดเรื่องเรื่องกินตะกเวีในภาคอีสานรู้ ร, รู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้รก็หัดรู้ซะบ้างเนาะถึงมันกัน เจโตมุตตอำนาจหลุดแห่งใจปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นร้วยปัญญาเจโตวมุตต์ปัญญามุตต์สัมพยุตกันอยู่ท่านใดก็เป็นเจโตมุตตหมือนกันสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนปัญญาไม่มีสมาธิจะมีมาจากประตูไหนชีวิตไม่มีสมาธิจะมีมาจากประตูหไาาตนหน สมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูให้เจโตมุต จ, จะเรินสมาธะสามส่วนมีปัสนาส่วนเดียวปัญญามุตเจริญนี้ปััสนาสามส่วนสมาธะส่วนเดียวแต่ว่ากลมกลืนกันไปเหมือนกันก็ถึงมากกันถ้าไม่ถึงก็ถึงอุปจารสมาธิก็ได้เหมือนกัน ได้วิจารณสมาธิวิจารณสมาธิการะแปลว่าไปกลางนีน้ที่ตั้งไว้สมมติว่าเราตั้งไว้ในลมให้ยใจเข้าออกเราเห็นลมลมหายใจเข้าพอเราบรร ญ, ญัติลมว่าลมหายใจเข้ามันก็กลายมาเป็นกลางลมพอบรญยัติแล้วเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลมพอบรญยัติแล้เป็นท่ายลมแล้วก็หายใจออกแล้วกับ หายใจเข้าต้นลมกลางลมท้ายลมหายหายใจเข้าต้นลมกลางลมกลางลมเทดานปาอกลางลมอยู่ที่นี่ท้ายลมที่สะดืออย่างพิสดารย่างกว้างๆหายจะออกต้นลมอยู่ที่นี่กลางลมอยู่ที่นี่ท้ายลมอยู่ที่นี่ยิดจ้องอยู่ที่นี่จ้องอยู่ที่นี่จ้องอยู่ที่นี่บางคนก็มาได้จ้องอยู่ที่นี่บางคนบางคนก็จ้องอยู่ที่ ปลายจมูกกลับลิ้นชี้ปาก บ, าบนเวลาหายใจออกก็มากระทบปลายจมูกเวลาหายใจเข้ากระทบลิ้ที่ปากบงบงบนเย็นนะไม่ไม่ได้แหวกออกไม่ได้ตามชต็ปแวกออกในลมความเกิดขึ้นหาลาว่างไม่ได้ความแปรปวนก็หาลาว่างไม่ได้ความดับไปก็หาลาว่างไม่ได้ี่พวกมีปัญญามาก พวกมมาธรรมทานเขาตั้งฉันท่าพอใจละคาในกรรมฐานที่ตั้งไว้ฤยาเพียรประกอบในกรมนกนกรมฐานที่ตั้งไว้ยึดต่เอาใจฟอกไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้เวียงบางสามอันติตรองพิจาราเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสีอย่างนี้มีบริวณแล้วอาจักนําบุคคลให้ถึงถี่ต้องประสงค์เชื่อมเียวกิสกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างมันมารวมอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วนี่ยิ้นสบามาแค่ปัญญารวมแล้วข้อแปดหมื่นคือพระธรมรมขันเลยข้อแปดหมื่นคือพระธรรมขันเลย ก็แปลเมืองผีถ้าผ่าทำเหมืนก้นมีทั้งคุณว่าพุทธธรรมพระสงฆ์มหาระหว่างไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับมันปัญญาเหมือนกันถ้าเด่นน้ำไฟลมก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้จังทุกครั้งอารักตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณว่าพุทธธรรมพระสงค์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่ายเกิดไฟดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าขอให้เราจับเป้าให้มันอยู่ ถ้าเราทิ้งเฝ้าแล้วก็เรียกว่าเป็นว่าเชื้อขามันไม่อยู่เป็นนุ่นปลิวไปตามลมทันทับแตกถ้าไม่จับไว้ในกรรมฐานถ้ากรรมฐานแปลว่าฐานะแปลว่าตั้งอยู่กรรมะแปลว่ากิริยาที่ทําทำได้ใจแล้วว่โนกรรมทำได้วาจาแล้วว่าจีกรมทำได้ใจแล้วว่ากายกรรมอาทำได้ก า, ายแล้วกายกรรม ก, รรมกายกรรมก็ดีว่าจีกรรมก็ดีมโนกรมก็ดี กายกรรมวิเครากรรมเป็นเมืองขึ้นของมนโนกรรมเราสติปัญญาตั้งไว้ที่แห่งเดียวมะเนื่อมีสติอยู่ที่ใดก็มีปัญญาอยู่ที่นั้นก็มีศีลอยู่ที่นั้นก็มีสมาธิอยู่ที่นั้นศีงสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้เหมือนเนื้อกับนังกับเอ็นกับกระดูกต่างก็อาศัยกัน ยูที่แห่งเดียวกันเมือนหน้ากับตาแยกกันไม่ออกเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันแล้วพูดย่อว่าเคยเห็นหน้ากันแล้วพูดย่อภาวนาพุทโธไอ้แท้ก็ทำโมทั้งโคอยู่ที่แห่งเดียวกันเพราะเป็นเชื้อกสามเกลียวเจโตมิมุตปัญญามิมุติสัมพยุตกันอยู่ในคณะเดียร์ ปัญญาเป็นหัวหน้ารทำแต่ละหมวดละหมวดละหมวดละหมวดละหมวดละหมวดเป็นลำดับคนหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งก็เหมือนกันเช่นผู้ใหญ่บ้านเขาก็หาเอาคนที่มีปัญญาเช่นในหมวดในหมู่เขาก็หาคนมีปัญญาเช่นนายกเขาก็ต้องหาเอาคนมีปัญญาเช่นหัวหน้าโลกคือพระสมานาพุทธเจ้าก็ต้องเอาสมานาพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าโลกเป็นหัวหน้าโลกู่ทุกยุคทุกสมัยหัวหน้านอกโลกอีกสด้วยพระสมานาพุทธเจ้านั่น ใครจะตั้งหรือไม่ตั้งคอตามันเป็นอยู่ในตัวคล้ายๆกับฟ้าใครจะตั้งหรือไม่ตั้งคอตามเป็นอากาศกลางหาวสูงอยู่เหมือนกันแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้ตั้งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่ตั้งจะตั้งหรือไม่ตั้งมันเป็นปัญหาเหมือนเกลือนะจะตั้งให้ค้าเข็มหรือไม่ตั้งคอตามันข้ามีหน้าที่เข้มท่าเข้มอยู่อย่างนั้นถูกไหมเอ๋ถามฟัง ถามปัญญาถามถามในปรัฒนามาถามในปรัฒนามากระทัดรักดีมากไม่ได้ไปทางโค่เันมันก็ลงมืนกันเป็นบางคนบางคนก็ลงบางคนก็ไม่ลง สาวพัดมันจะเป็นไปล้วนิมิตแปลว่าเครื่องหมายรำหมายไปที่ไหนก็เป็นนิมิตที่นั่นแหละในพระพุทธศาสนายอดนิมิตลงมาเป็นสองรพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเพ่งนามเป็นอารมณ์เรียกนามนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายใล้ใกลกับสีมาสีมาแปลว่าเขตแดนนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายหมายไปในรูปก็เรียกรูปนิมิต ไม้ดินน้ำไฟลมเรียกว่ารูปนิมิตไม้ไวไวในเวทนาสัญญาสังขารนิมยานเรียกว่าน้ำนิมิตนิมิตไหนครับพุทธศาสานามีสองนิมิตเท่นานั้นฝากนั่นไปมาเรียกว่านิมิตส่วนนี้ตัสมิโมกเพราะว่างไม่มีนิมิตอมิตตอันนี้ไิมิตตัสมิโมกเพราะว่างไม่มีนิมิตอปนิหิตตัสมิโมกเพราะเพราะว่างอันนั้ามาว่างในที่นั่นเป็นว่างมีขอบเขตด้วยกัน ว่างจากตัพจากบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ว่างจากความดีความดีไม่อยู่คำว่าว่างก็มันกันต้องมีขอบเขตทางพุทธศาสนาคํนะาว่าอนันตาก็ต้องมีขอบเขตอนันตาบาปเป็นฝ่ายละอนันตาบุญเป็นฝ่ายเจริญอัตตาก็ต้องมีขอบเขตอัตตาฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายละอัตตะฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญนั่นฝ่ายส่วนทําให้เกิดเด้่อนี้ ตนก็แบ่งออกเป็นสองตนในทางซีขั่วพยายามละตนในทางซีพยายามปฏิบัติอนัตตาในทางชั่วเป็นฝ่ายละอนัตตาในทางดีเป็นฝ่ายเจริญมันก็ไม่ยากอะไรคนเราไปเอาอัตตาอนัตตาเป็นสงครามกันเพราะไม่รู้เท่าอัตตาไม่รู้เท่าอนัตตาก็เอาอัจจากับเอาอนัตตาเป็นชกกันจะขึ้นสเตจชกกันอ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหาเรว่างไม่ได้แปรปวนหาเรว่างไม่ได้ดับหาะหว่างไม่ได้เช่นความนึกคิดอย่างนี้แล้วนึกขึ้นแล้วเราจึงพูดก็เป็นอดีตไปแล้วกลับเป็นเอาก็เป็นอนิจจังไปแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำวิกรรมพุทโธพุทโธก็เกิดดับอยู่หาเรว่างไม่ได้แต่คุณของพุทโธหาได้เกิดได้ดับไปไหนไม่เข้าใจนะ ธโมธโมธโมอย่างนี้ก็เกิดดับเป็นเพราะไว้เป็นวจีสังขารแต่คุณของพระธรรมหาได้เกิดได้ดับไปไหนไม่ทั้งโคทั้งโคกรรมเดีกันพระเนพานพระนิพปานพระเพปานพระเนพานอย่างนี้ก็เกิดดับเป็นเพราะเป็นคําชื่อแต่รสชาติของพระเนพานไม่ได้ดับไปไหนไม่ได้เกิดไปไหนหนนทางหนนทางหนนทางเป็นคำกลางหนนทางใจหนนทางภายนอก วันทางภายนอกก็ใจนะเป็นพวกไปต่ไปถ้าไม่มีใจมั น, มนก็ไปไม่ได้ไปวันทางภายนอกไม่ได้เหมือนกันท่านทั้งหลายมีใจไปไหนประหยัดมือสิพอทำอัขันก็ย้นลงมาหาใจอาศัยใจเป็นเรือเป็นแพปฏิบัติเพื่อข้ามทุกในวัฏสงสารถ้าไม่มีใจก็ปฏิบัติไม่ได้เนั้นคนบ้าว่าเสียจิตเสียก็ลดทรมศาสตร์จึงไม่สอนอาศัยใจแต่ไมาให้ยึดถือใจ ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอาศัยเรืออาศัยแพแต่ไม่ให้ติดในอยู่ในเรือในแพพอถึงข้ามฝากแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับมาอีกนะจนและแพมันกลับมาอีกไนะ <c oughs> ใจพระสวสดาบันใจสักคาคามีใจพระอนาคามีใจพระาราหันต่างก็อ้างใจมันกลับตาก็อ้างปัจจุบันมันกันปัจจุบันพระสวัสดิวันปัจจุบันพระสักคาธามีปัจจุบันพะรนพะอนาคามี ปัจจุบันของพระานปัจจุบันของพระปฏิปัจจุบันของพระสมานพระพุทธเจ้ามีมียิ่งยองกว่ากันเพราะมีปัญญาสัมประโยชน์แยบคลายกว่ากันปัจจุบันของพวกโลกีก็ไปอีกแบบหนึ่งนโมของพวกโลกีก็ไปอีกแบบหนึ่งนโมของพวกโลกีกับนโมเรียกนโมผานโมบัตนโมเวนโมร่ำนโมรวยละร่ำรวยในอมิตแต่ว่านโมในทางโลกุตตะเป็นนโมเพื่อจะเข้าสู่กันในพาน นโมแปลน้อมนอมจนถึงพระเนปาลนโมพระโสดาบันนโมพระอนาคามีนโมพระอนาคามีนโมพระละหันเรียนนโมจบแล้วไม่มานอมน้อมจนไม่มาเกิดแก่จะตายอีกพระหพระอนาคามีนอบน้อมจนไม่มีราคะนอบน้อมจนไม่มีโทรศัพ์แต่โมหะมีนิดนิดหน่อยพระโสดาบันนอบน้อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยจะล่วงละบทเส้นห้าเขารบเส้นห้า นโมสินห้านโมพระพุทธพระธรมพระสงค์ไม่สงสัยว่าจะไปะถือศาตราอื่นนโมพระสุรดารันไม่สงสัยว่าจะไปสาบแข่งท่านผูน้ใดมึงเถอะไม่มีนะพระสวรดารันกูไม่ได้มึงเลี๋ยมนี้กูจะเอามึงเลี๋ยมนั้นขอให้มึงคิดหายใจความซักไม่มีนะพระสวรดารัน เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้รู้ต้องรู้เราเขียนหนังสือถึงไหนเราก็ต้องรู้ตัวสิแล้วถ้าเขียนถึงไหนวัดไหนวัดไหนวัดตัวไหนสะกดกกราดเราก็ต้องรู้ตัวมันฮะก็ผูกเขาไม่รู้อีนอีเนี่ยเขาว่าเราเป็นบ้า เออเป็นเรื่องพัจจต่งเช่นพระสวัดาวันถ้าเราเสียดายอย่างเราละเมิดที่หนอย่ามัไม่ใช่พระสวัดาวันเน้อถ้าเราเสียดายอยากเลียดอาบายยมุขมันก็ไม่ใช่พระสวัดาวันเน้อถ้าเราเสียดายอยากกษสตร์แข้งขอบเขาอยู่มันทําให้ปูชิบหายอย่างนั้นนี้ขอให้มันชิบหายอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีในพระสวัดาวันไม่เสียดายกษัตร์แข้งใครก็รถือว่าถ้าเขาทําผิดเราแต่ว่าแต่ถ้าก่อนก็ให้เลี่ยกันไปใช่ ราโกรอยู่แต่ว่าไม่ผูกเองพราะตัวมันโกรธอยู่ไม่ผูกเองอุปนิหะไม่ผูกโกรธไว้ปราศไม่ยกตนเทียมท่านอิจฉาฤิ์เสีเห็นเขาได้ดีตนอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีนะพระตัวดามันมัชเริยะตันีจนเกินไปก็ไม่มีนะพระตัวรามันมายามายาคือเจ้าเล่ก็ไม่มีสาเธยะโออวดก็มีธัรมพะหัวดื้อก็ไม่มีสาธนำพระแข็งดีก็ไม่มี มานฑะถือตัวจัดก็ไม่มีอธิมานะดูดิมินท่านก็ไม่มีแต่ว่าพูดตามเปจริงถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีดีจะตายบอกว่าไม่ดีมันก็เรียกว่าหาเรื่องดูหมิน่นมิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนทําดีก็ส่งเสริมตอนไหนทําชั่วเขาขีดกันมิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วเขาขีดกัน ไม่ใช่ว่าจะทาดีก็ค่อยตามจะทำชั k k ่วก็ค่อยตามตัวน้าวานนักเสืรันรังตางนิ่งามันใช้ไม่ได้เหมือนกันนาำายน้ำลายมันอ่อนร้ายปากเป็นตุ่มปวกนะจ๊ะน้่ามันไปว่าบอกว่าคอยบอดีคือแพ้สัตตีลูกน้องจินนี่เอี่ยว่าสั่งย่างตัวเตี้ยลงท่าสาหัวไปผ่อนจัวต้มเอียงไว้เมี่ยนห่อยนังชื้อบาฟาผ่ากี่สา เออป่ะอยากท้าวเัี้ว่าอริปเรียนทิสกลังเออมีตโวชิ่งนังไปตานังอปกะกรีิตจังกฤังตูมังสุภเมวสัสุักเพผู้เรียนตูจังขับป่าจันโทนะโยาาวนโทศิยะโยาทาวิิโยันดุสากุตุตโยรูโกกรนต์ตูม้าเทโวันตระโยสุีติสาโปู พระอภิวาสาสีสานิจ <decimal opl ady> ังมุตาเจจายโนจตารุธมาวัจันติอายุวโนสุขังพระอะไรอะเซเล่าด้วยอะไรอ่านหนังสือ ถ้ามันชัดของคุณหนูตอนไหนคอยเอาตอนนั้นถ้าคุณหนูชอบตอนไหนคอยเอาตอนนั้น รยาการหรือที่สังเกตสังเกตดูว่าเขาจะลำเอียงไหมเจมเป็นฝ้าเพชดินก็เท่าเก่าัน ล, ละ่ะใกล้ถึงว่าพูดประทับสมองเราก็มดเรื่องอะ้รลูกหลานเออไปจ้ะนีวผู้ชายมานั่งขั้นอีกเดี๋ยวเขาว่าพาันิคอล ไดยอยู่อือไม่ว so so so ันวานจะนายอยู oui> ่พทโธเนี่ยามาทังโลกทั้งเนือทนจังโคทั้ง้ำั้งภาวนาพุทโธถือแล้วก็ถือทเนื้อด้วยถูอทั้โคด้วยถ้ากับจําหนังก็ถือเนื้อถือกรดูด้วย พโทโธไม่ใช่ของง่ายเนอะพุทโธข้อแปดหมื่นที่เขาทำมาคันมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่จะขยายออกบูชาเรื่อดอกไมาทุกเพียรบูชาเนื่องปฏิบัติบูชาปัจิบัติบูชาเป็นท่านที่หนึ่งอมิ์สบูชาเป็นท่านที่สองแต่จะทิ้งอมิ์สบูชาก็ไม่ได้ท่านห้ามไม่ให้พระไปหักดอกไม้มาบูชา ถ, ถ, าาถ้าได้มาในทางบริสุทธิ์ก็บูชาถ้าพระไปหักดอกไม้มาบูชาท่านห่ามถ้าได้มาในทางบริสุทธิ์จะบูชาเถิดบุคคลบาท่านเวลาลบสั้นเกินไปงาเภชกสุไม่ควนเอาอามตตะบูชารกระทาไฟกระทาไายได้ในขั้นพิจการ ก็พาคาได้ดอกบัวมาแ้วก็เออดอกบัวนี่เราจะเอาไปถวายพระมาลายพระมาลายที่เป็นพระทหานันและและพินยาหกพระมาลายก็แตกฉานเนี่ยเป็นทศนิพพาสี่ด้วยเป็นพระทหาร เตวิโชสารพินโดเป็นสัมผัสที่สัพะโตเว่าได้เตเตวิโชสารพินโดกว่าได้พระหันชา ะ, ะพิณโดมีอัญมณีดอกบัวนี่แล้วจะไปอาบูชาเข้ามาเลยพอเห็นเข้ามาอะไรก็อาบูชาเข้ามาอะไรเข้ามาอะไรพอท่านโอท่านะนะครับเอี่ยบอกว่านี่เราไม่จะไปบอกให้นเขาไปเด็กมา มันวเราจะบอกให้เขาห้ามาไม่ได้มาในทางบริสุทธินอนแม่เราได้นีเป็นพระสงฆ์เราคนจากจีนเนี่ยที่นี่เราก็เข้าฌานเข้ายานเป็นเข้าฌานขยานจริงเราจะเข้าไปบูชาพระเจดเจ้สรามณีที่ถ้าก็พลิกเข้าฌานเหมือนพโมคคัลลาน์คล่องว่องไว้มากแต่คงเปนหลังพระโมคคัลาพระโมคคลาคงเป็นวาระทีพระบรมศาสด า, ศา ม่ชีวิตอยู่ทรงพระชีวิตอยู่ข้ามาทรงจนยุคหลังท่านเข้าไบูชาท่าเสียแจ้าจุลธรมนีท่าเสียเจ้ า, า, าจุจาลธรรมนีนั้นมันเป็นทาาของวัคกุสันโธของพระโกนาคมโนของพระกตกโปของพระโคตโมของพระอาชิอริยะเสศ อธิษฐานเนี่ยไต่โยได้จบกับหนึง่งแล้วจึงจะอันตระทานไปถึงจะต้งกลับใหม่ทีนี้บาท่านปฏิเสธว่าไม่ควรเอาบูชาเนแม้พระธรรมท่านก็ยังบูชาปูชาแจกปูชนีเอานั่นเราเป็นจะเทียงว่าเพราะท่านบูชาเฉยๆที่ท่านไม่บูชาเพื่อจะละสิเลท่านพ้นไปแล้วสิเล ท, ทั้งธรรมอันนี้ไรโอ้ เชิดถึงหมือนแล้วเชิดถึงหมือนแล้วไม่รู้ว่าใครเอาละหันมันมันมีอย่างอย่างที่ยกมาให้ฟังเนี่ยเผื่อว่าจะให้เข้าใจหลา ย, ลายเรื่องบางคนมีผู้ปฏิเสธบูชาเนี่ยเขจะได้คัดค้านเขาพระอรหันต์จะแทะก็จังบูชาก็เอามาให้อะไรต้องกระเถียงเขาเนะถ้าให้พู้ มาปฏิเสธบูชานนาอุบวนวันนาเอาดอกขบวนเอาดอกบัวไปบูชาพระปัจเจกแล้วก็ปฎิฐานาว่าขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบใดครอบใดขอให้จงเป็นศีลดอกบัวมันมันนีเถืดอยู่มาอยู่านาอุบวนวันนาก็จะเป็นเกิดมาชาติใดชาติใดก็เป็นศีลมอนดอกบัว คำว่าอุบลก็แปลว่าเสียบเหมือนดอก บ, บัวนางอุบลวันานากันากา น, นางกันหาก็มีความหมายอันเดียวกันนางกันหานางกันหาชาติเป็นภวิษันวรผ้าในทางพระพุทธศาสนามีหลายสีสีนี่นเป็นสีของพระโมกขลากเป็นสีของพระมหากัตรปักษ์สีของนางกีสาบวาัวดำ เพราะนั่นสีผ้ามีห้าสีหกสีครับลกผูมั่นอธิบาวสีนี้เป็นสีลังหมุนนี่เป็นเสือลังหมุนสีนั้นเป็นสีดำำอาะสีของพระมหากศาิัปะของดางสีสาโคตมี ของพระอุปสศน์วังคันตบุตรดีนะนกกระโพรานอีกนกกซิบท้งหมดอีกชีดำคร่าอีกชีแก่ที่สุดแล้วชีนึงต่อไปนั่นเบาขานลงมาบ้างจนถึงที่สุดจนจนถึงชีเป็นชีทั้งหมดนี่นะเป็นชีที่สองอยู่ชีที่หนึ่งยังยาวกว่านี้นิดหน่อย หยุกคนย้อมทุ่มเสียงเกียงงอนกันในเรื่องผีผ้าอวิธีการย้อมผ้าพระบลมศาสนาพันธ์ไปแล้วย้อมในรากเงาเนี่ยต้นไม้นี่นนนานรากเงาเนี่ยต้นไม้เนี่ยดอกไม้เนียใบไม้เนี่ยขนไม้รากเงาดอกไม้เนี่ยเปลือกไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยขนไม้นี่ รากเน้าแกนรากเน้าแกนเปลือกใบผลมีหกอย่างเฮ้ทาไมได้หา้าอย่างรากเน่าต้นของมันดอกของมันผลหนึ่งเปลือกหนึ่งอะไรอีกอย่างอันหนึ่ง น้องเล็กี่กด่าอืบไม่นึ่งดอกไม่หนใบไมหนึ่งเกลือไม่หนึ่งผลไ ม, งไม่หนึ่งครงคบแล้วทีนึ้ครบแล้ ว, <ด S 1> <c oughs> วทีนึไม่ไม่ได้บอกว่าจะให้ยอบแกนขนุนอันเดียวถ้ายอมแกนขนุนอันเดียวถ้าเอาไปเอาผลแกนขนุนไปยอดจะยอยอม ย, ย, ยังไงั่ ทอนุญาตเปลกมันก็ทรงอนุญาตใบมันก็ทรงอนุญาตผลมันก็ทรงอนุญาตผลคือผลหมากสุกเป็นทน่อนผลสีจะผสมกันสีเหลืองเข้มสีตะวับบนเย็นเรห้ามสีวันเย็นห้ามสีแสบสีชมพูห้ามสีเหลืองแก่เหลืองแก่ก็ห้ามาเราจะเหลือง เหลือเข๋ก็ห้ามเหมือนกันเหลืองดอกแคกูนก็ห้ามสีที่รับรองกันคือสีเหลืองเกอเรียนเข้มเช่นสีเหลืองหม่นนะสีแก่นขนุนมีสีลงหมนน่นสี้เก๋มากแต่คนทุ่มเถียงกันทุ่มเถียงกันทําไมเราคุยเร่อง น, นี้เรื่องชั้นนึ้อคนก็ทุ่มเถียงกันเราไม่ทุ่มเถียงกับใครเราเราไม่สงสัย พระบรมศาสดาบอกว่าใครประสงค์อสมแข็งใจเถิดพิสุจะฉันเนื้อจงพิจาณาพิสุชันเนื้อจงพิจารณาเหมือนเนื้อของลูกของตนเถิดเนื้อพิสุพิจารณาว่าฉันเนื้อแล้วพิจารณาว่าเนื้อของลูกของตนแล้วพิกสุจะไม่กำหนักมากพิสุไม่ยังไม่ชันพิจนาก่อนอย่าฉันเนื้อ ถ้าใครฉันเป็นนับถือทุกกฎทาไมถึงไม่พิจารณาอนเพราะเกงว่าจะเป็นเนื้อหมาเพราะเกงว่าจะเป็นเนื้องูเพราะเกงว่าจะเป็นเนื้อมนุษย์เพราะเป็นจะเกงว่าจะเป็นเนื้อเสือเหลืองเสือดาวและช้างและมา้าและงูเดีย๋ยว็กนั้นจริงบอกว่าเลยพิสุยังไม่ฉันพิจารณาพรอย่าเป็นฉันเนื้อถ้าฉันเป็นนับถือทุกกฎพิกษุอยากลืนรินของแข็งเช่นกระดูกเต็กกระดูกปลาไก่ก้ามปลาเป็นต้น มันมีเหตุผลผู้ต้องการจะฉันแต่ผักท่านองค์ท่านก็ไม่ว่าผู้ต้องการจะฉันเนื้ององค์ท่านก็ไม่ว่าแต่ผู้ที่ฉันเนื้อเป็นเราเนี่ยไม่ได้อธิษฐานเนื้อเราแล้วจะฉันเนื้อแล้วฉันปลาเราก็ไม่อธิษฐานเขามาให้อะไรเราก็ฉันถ้ามีพูดทําให้เราฉันผักเราก็จะเอาอยู่จุกวันมันเบาดีเดี๋ยวมันยานลกลาบากเหมือนกันเนาะ มันต้องเต้าหู้บู้พี่อะไรต่ออะไรการพัดลงทุนมากเลยแต่ว่าเบานะสันอาหารผักเบากว่ากันแก็ร่างกายก็ไม่เน้นสาบมากเป็นกินโคกินกระบือไปสะก่ามันกินหญ้าถ่ายอุจลระก็ไม่เน้นมากแล้วปูมั่นบอกว่า ปนมะเขือนะ่ะก็ปนปลานะเอาใส่กันได้ไหมองหลวงปู่เออมันก็ลงไปเหม็นอยู่ที่แห่งเดียวกันนั่นเองท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่ว่าท่านไม่ได้พูดว่างหรอกที่นี่พากันจะพูดอะไรเขาพูดสักที่นี่ไม่รู้จักความประสงค์ว่าจะพูดอะไรจะพูด ท, ทําในขั้นไหนก็ไม่รู้จักความประสงค์พูดสัปกปลาหรอกสั เพราะทำไมมีหลายอย่างทําชั้นกลางก็มีชั้นสูงก็มีชั้นําก็มีทำทำเป็นโลกิตะก็มีโลกุตระก็มีไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วขอขอให้พวกเพื่อ น, น้องชาวพุทธสาวุก ม, มาแล้วไปดูดูจะขนาดไหนว่าอย่างนั้นดรือ <c oughs> จะ ข, ขนาดนังหุ่มอยู่นี่แล้วเป็ขนาดไหนหรอก บารมีทุบฟินขึ้นเขาเหนื่อยไหมบารมีทุบฟีนขึ้นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือมาแก้ให้ไวเอาหนังสือมแ ก, แก้ให้ไวแกนของวัตถุศาสตร์นะคือวิมุตต์ความยุทธท้นวิมุตต์มีกี่อย่างวิมุตต์มีอยู่สี่ประเภท มีมุตของพระสวสดาบัลมีมุตของพระสัคขาคามีมีมุติของพระอนาคามีมีมุตของพระหลานมีอยู่ที่มีมุตความยุบท้นยุบท้นแล้วไม่สะบดคืนเรียกว่าโลกุตระอิมุตส่วนตัวนพระสวสดาบันเป็นโลภุตระอิมุตเนอเป็นโลกุตระศีลเป็นโลกุตระส่าทิเป็นโลกุตระปัญญาพระสัคขาพามีพระอนาคามีพระหลานกัเหมือนกันต่ำกว่านั้นลงมาพระบรมศาสตรามันรับรอง เข้าพ ร, ระสวัสดเข้าถึงพระสว ด, ดาวันไม่ยากแต่มันก็ยากผู้ไม่ชอบแต่ก็มันไม่ยากกับผู้ชอบเข้าถึงพระสว ด, ดาวันข้อหนึ่งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตไม่เอารักที่อื่นๆมาปนไปเลย ไม่สงสัยในวัตพุ ธ, ธรรมสรงค์อีกด้วยไม่สงสัยว่าคําสอนใดๆในตจโล ก, กธาตุจะเนื้อคําสอนของวัตพุศาสตร์ชนะไปเลยเวงของวรตถุธรรมข้อสองไม่เสียดายอยากร่องละเมิดข้อห้าถ้าไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดน่ะมันก็ไม่เป็นทุกข์ข้อสามไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุกทุกประเภท ถ้าไม่เสียดายอยากเล่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะมันเสียดายนั่งสามข้อนะน่นะสี่ทนี้ไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นหรือรัฐที่อื่นมาปนไปของพระพุทธศาสนาให้ยุ่งเหยิงแต่ก็ไม่คัดค้านแต่ก็ไม่เสียดายอยากจะถือและไม่เข้าใจว่าศาสนาอื่นๆ จะสอนเหนือพระพุทธศาสนาไปเลยพระตัวตันเป็นอย่างนั้นถ้าสงสารว่าถ้าสงสัยว่าศาสนาอื่นจะสอนเหนือหรือจะแยกขายกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ลงพระพุทธศาสนามันก็เป็นวิธีปิจศานันนทีนี้ยังมีอีกไม่สงสัยว่าจะฆ่าขายเครื่องผหาญจะฆ่าขายมนุษย์จะฆ่าขายสัตว์เป็นแรงเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค่าขายนั่เมาไม่ค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสราบันไม่สงสัยว่าจะล่วงละเมิดเลยเพราะเห็นว่าดิ่งลงไปในทางมันชิบหายแลย้วเมื่อเห็นดิ่งลงไปทางนั้นชิบหายแล้วท่านก็ไม่สงสัยท่านก็ไม่ลำบากเหมือนบันน้าลายจริ้งไม่ใช่ใดยอยากเอาคืนมาเห็นว่าไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวั ทีนี่ไม่เสียดายอยากเอาน้ำลายเตืนมามันก็ไม่เป็นทุกข์มั่ยไกที่พวกเราปฏิบัติมันมันทุกข์อยู่กับเพราะเสียดายพราะเสียดายว่ามันจะมีประโยชน์บ้างถ้าเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่ทางที่ผายหน้านนเดียวมันก็ไม่เสียดายอย่างลวงละเมิดนี่แหละภูะมิพระสวัดา์วันยังไม่อีกที่นี่พระสวัดา์วันไม่สาดแช่งใครมีผู้มาทําผิด ก็โกรธยู่แต่ไม่ถึงจะตอบแทนพนทุดท่ายท่านก็ังเอญในใจว่าเออถ้าเคยทำขอแต่ชาตก่อนมาพอให้แล้วไปซะถ้าเขามาก่อใหม่พอให้แล้วไปซะเราจะไม่มีการตอบแทนถึงแม้เราโกรธสักเพียงไหนก็ไม่ตอบแทนเรียกว่ปิดประตูอบา ย, ยภะูมแล้ว ปิดประตูเวรไภแล้วไม่มีเวรแล้วเพราะท่านไม่ขอดเวรกับใครโกรธอยู่แตไม่ขอดเวรทางโลกโลกอยู่แต่ว่าโลกกับสามีภรรยาตนเองทางกามารมณ์ท่านโลกอยากจะได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ไม่มีอีกต้องซื้อต้องขอขอก็ข อ, ข อ, ข, อ, ข, อขอเขาให้ก็อเอาเอาขาไม่ให้ก็ไม่เอาต้องซื้อกโกหกไม่มีขายของอันนี้ เออซื้อมาเท่า น, นั้นแล้วจะให้ขายเท่าทุนก็ขายไม่ไหวค่าเกลียนเอ๋ยค่ารถเอ๋ยค่าอะไรต่ออะไรเอ๋ยค่าตัดตุนนานเอ๋ยแล้วค่าพอจะเอาก็เอาไม่โกหกเขาขายของก็ไปโกหกนั่นคุณพระสวดิวันไม่ไ ม, ไม่มีมากมีเท่านั้นแหละบางท่านก็ไปเล่นหวยอยู่อที น, นี่ไปเล่นหวยรัดก็ไปเล่นหวยใตยดินก็ไปเล่น นีสุ้หรือดียามดีนฝ่ายผูกแขนเอ๋ยฝ่ายผูกคอเอเ๋ยแขวนพระเอ๋ยพระไม่ต้องแขวนพระโสดาวันไม่ต้องแขวนเอาแขนไม่ใช่ใจเลยนะครูพระสดาวันแล้วสําคัญว่าตนเป็นพระสดาวันมันก็เป็นพระสดดันสดเดาสุขการนี้สุขไหม ไม่ยอมไม่ยอมถื้อที่อื่นไม่ยอมซือศาสตราอื่นเช่นนางวิสาขาเป็นต้นเนาะนางวิสาขาก็ไม่ยอมเนอะหัวขาดก็ไม่ยอมเกตีนางวิสาขาสาเร็จพระหลารสำเร็จพระตัวดาวันภูเขาพระตัวดาวันมีเท่านั้นล่ะจะนั่งตลอดรุ่งตลอดค่ําก็ตามจะเดินจะกมภาวนายืนขาเดียวอ้าปากกินลมจนตลอดเดือนหนึ่งก็ตาม ถ้ายังล่วงระเบิดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่ใช่พระสุรดารันจะบวชร้อยพันสาก็าตามถ้าต้องเสริมอบายยมุกอยู่ก็ไม่ใช่พระสุรดารันสู้เขารักษาเช่นห้าอยู่ว่าไม่ได้นอนฝันไปเลขอันนั้นเลขอันนี้พวกมิจาอาชีวะท่านน่นะ <c oughs> นะข้ามผู้จัดการ พระเจ้าพิามพิสารเนี่ยผู้ออกกฎหมายพระเจ้าพืามเมสารทรงอำนาจชิกิขาดตั้งอยู่หนไตจิตบูนเป็นแคว้นใหญ่และมีอำนาจและแล ะ, แล ะ, แ, ละและมีอำนาจมากทรงอำนาจชิกิขาดพรเจ้าพิมพิสารองค์ท่านเป็นพระสร ว, วัดาบางแล้วองค์ท่านตั้งกฎหมายองค์ท่านเอาเอาเส้นหาเป็นแรงเอพาพุทธศาสนาเป็นแรงทีนี้ที่พิมีิเรื่องพระพุทธศาส น, สนาท่านเข้ามาได้ส่งเสริม ส่านทรงอำนาจทาี่จุฬาตกฎหมายเอาเองเอาพฤทธการแต่เอาเสียงหาเป็นแรกเอาชักาบันว่าพุทธศาสนาเป็นแรกถ้าเป็นพระสวสดาบาลเนีรยพระเจ้าปิ่นภูสามทรงอํานาจทาี่จุฬาเด่นกว่าเพื่อนพระเจ้าปิ่นภสามีอํานาจมากกว่าเพื่อนมีที่งงจจกุรงราชกึ่งแล้วก็กุงราชกึ่งมีพระสวสดาบาลมากกว่าเพื่อน เมืองสวัสดีก็มีพระสัสดีวันสักษาคารมีนาคารมีมากกว่าเพื่อนพวกนี้พวกนี้มีทั้งนั้นพวกมะดำหัวอะไรพวกคาราวันพวกที่คือสมัยก็มีมากพระสวัสดีวันนับเป็นหมื่นๆนะพระจะกาคารมก็นับเป็นหมื่นๆนะนับเป็นลาลาศอีกด้วยชิวเอสละหุ่มาฟังแทศละหุ่นหนึ่งคงเป็นหมื่น ก็เป็นทิเบตลาหุนมาฟังเศถึงพระสวรรณนรสข้างหนมาฟังอีกบ้านนารัทธาคามก็มีพระสุวรรณนาคามีนาคามีมากเหมือนกันบ้านภาษารีบุตรพวกขลราวานันที่โตควขลามาวสังวันที่เป็นผู้ครองเรือนวันที่ตาบันที่โตัวขลมาวสังวันที่เป็นผู้ครองเรือนคือตัวคือพระโสุวรรณ บันทิตาปณินายกกาบันทิตจึงคนเป็นหัวหน้านาถีพาราปรินายกะคนผานมาใช่คนหัวหน้าเน้อเราเ ป, ป็นพระสง์ศาสนบันทิตาปณินายกกาบันทิตจึงเป็นคนหัวหน้าบันทิตหมายเอาเพียงไหนก็หมายสุภริตปนุนัน่นเองนักหนักนักนักพระพุทธศาสานาสอนท่านคาราว่าสอนท่้นพระพิสุทธมเมณีด้วยสอนทัานเทวบุตรเทวดาด้วยสอนท่านพระราหันด้วย สอนทั้งทั้งสักการะคามีนาคามีพระลานด้วยจึงทรงพนาว่าสักกาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นพระอุทศาสนาพระพทศาสนาเป็นธรรมาธิปักรไตไม่ใช่อัตตาจิปไตไม่ใช่ประชาจิปไตยเนี่เป็นแกนของศาสนาใดในโลกด้วยเป็นดิ่งของทุกๆศาสนาด้วยเป็นกรรมการของทุกๆศาสนาด้วยทุกยุคทุกสมัยของโลก แต่ว่าศาสตาสนาอื่นมาประชันชั้นแข่งมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเองถ้ามีนักมวยเอกไม่มีนักมวยโทมาแข่งมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่รู้ว่าจะนักมวยเอกแค่ไหนนั่น <c oughs> ม่นก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมยัยอะเอ้ า, ามหาเอกมหาอะไรเนี่ยมหาอะไรมหาอะไรไม่ได้บวก <c oughs> ดูเสือเอ้าคู่ฝ่เอกนี่ยมีเหตุผลพอแล้วยัง เอออันนี้สักสี่หนึ่งทุกสองสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์เกิดสามนี 3, น่เรียกวความทําให้แก่สี 4, ม่มัดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความรบทุกความไม่สบายใจไม่สบายใจไี่ชื่อว่าทุกเพราะเป็นของชนญาติตัณหาคือความทยานอยากได้เรียกว่าสมุทยัยเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดตัณหานั้นมีประเภทเป็นสาม คือตัณหาในอารมณ์ที่นหารักใคร่ขับใจเรียกภามะตัณหาอย่างนี้ตัณหาในความอยากเปนโน่นไปนี่เรียกภาวะตัณหาอย่างนี้ตัณหาในความอยากเปโน่นเป็นนี่เรียกวิภาวะตัณหาอย่างนี้ความดับตัณหาไในที่เชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดในตัว ไ, ได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาอเห็นทราบว่าถึงนี้ทุกข์ถึง น, นี้เหตุให้ก็เกิดสิ่ง น, นี้ความดับทุกข์ถึง น, นี้ทางดําเนินถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองศาการ คือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดัมิกชอบหนึ่งเกรรจายชอบหนึ่งทำกัรงานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งตั้งสติช <c oughs> ตอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งขยายออกเป็นมรรคแปกสมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบมรรคแปกสมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทยมัยเนรุษมรรคทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดมรรคเป็นผ ล, ผลของนรุ มักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธนิโรธเป็นผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธศิ่สมาธิปัญญาคือมักทําให้แจ้งเรียกว่านิโรธที่สมาธิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่สมาสังกปะดําริชอบคือดึงคือดําริจะออกจากกามหนึ่งดําริในอันไม่พยาบามบ่าดัมลิในอันไม่ไเบียดเบือนสมาเกจา่เจาเกจ่าชอบ คือเว้นจากวจีพุติริตสี่เว้นจากพูดเท็จพูดเสาะเสียงพูดคำหยาพูดพเพื่อเจอสัมมากรรมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายทุจิริตสามเว้นจากข้าศัพท์ลักทรัพย์หรืพูดผิในคามเรียกว่าสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวเลี่ยงชีวิตชอบคือเว้นจากเรื่องชีวิตในทางที่ผิดหลอกลวงเขาเรี่ยงชีวติตเรียกบัตรเบอร์บวกเบี้ยจัดเข้ามิจฉาทิพย์มิจฉาอาชีวะทั้งนั้น ค่าขายเจรื่องอาหารเรานี้ค่าขายมนุษยค่าขายจักรเยนแล้วเนีเ่ยสกุลตัวค่าเายอาหารค่าขายาน้ ำ, น, ำน้ำมอค่าขายยาพิษเ่านี่ก็เรียกว่ามิจฉาอาชีวะตรงนั้นหลอกลวงเขาอย่างชีวิตต่างๆนานาของปลอมก็มีเอาทองปลอมไปขายเหมือนนี่เหมือนกันมันก็ผิดถึงไนที่หลักผิดหลักสินทํำของสินห้น า, าที่ทนั้นก็เรียกว่ามิจฉาทิจิตตรงนั้นอยเาอย่าอกมิจฉามิจฉาอาชีวะ สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรในที่สี่สถานคือเพียรงานสังวรรัฐทานเพียรระวางมหาบาปเกิดขึ้นในสันดานประหารรัฐทานเพียระบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เพียรความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนทีนี้ย่นความเพียรลงมาเป็นสอง เพียรละบาปบำเพ็ญมุนสมาสติรละลึกชอบอสมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานทั้นสี่สติปัฏฐานชั้นสีคืออะไรบ้าคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมระลึกชอบคือระลึกยังไงพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายเนีภาษาว่า ก, วกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายยานุกศาสนาอย่างย่อมโดยจากความพิจารณากายลงจนถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาความสวย อ, อารมณ์สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เ, เ, เวทนานี้ภาษาว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานัลุกศาสนา methods. พิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือสองแพร่เป็นอารมณ์ว่า ใจนี่ก็สักป้ายใจไม่ใช่สักบคุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาในพัฒนาพิจาุนาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าทรรไม่ใช่สักบคุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาโดยจะความพิจ า, าุนาสติปัสฐานสีลงสู่อนัตตาไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใชบคุคคลเป็นแต่สักว่ากายเป็นแต่สักเวทนาเป็นแต่สักว่าจิตนะเป็นแต่สักว่าธรรมที่นี่ธรรมจิตให้ว่างออกจากตรงนั้นไม่สำคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายไม่สำคัญเวทนาเป็นตนตนเปเวเป็นเวทนาไม่สำคัญว่า จิตเป็นตนตนเือนจิตไม่สำคัญว่าทําเป็นตนตนเป็นรมคือจะแยกออกคห้มันเป็นความว่างโดยจากความธรรมชัติสูงมันช่านอันนี้มันเป็นทั้นของฝากประสวดดวันไปแล้วนี่ทีนี้สมาสมาธิสมาสิแล้วนะสมาสมาธิจเจริญทานท่าสี่พระธมรมชาญทุติยชาติทุติยชาตเป็นชาตที่สองหรือที่สามที่สี่เรียกว่าลูกไปคาน เพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปฌานฌานทั้งหลายกรดีชานนางเฟย์เขาพ่งอยู่สมาธิไปว่าทั้งมั่นฌานทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอะไรกลาหมดกำลังก็สอนออกมาให้ชักลงสู่ตาลักเหมือนกั น, นทีนี้นี่มันยังกว้างขวางอยู่สิเนี่ยเอ้าพิจณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ ทุกสมุทรไทยนี่รถมัอดอธิษฐานตอ๋อทุกสมุทรไทยนี่รถมัดเมื่อเราพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ก็ดีสมุทรไทยความทะเยอทยานก็เบาลงมัด ก, ก็เจริญไปในตัวนี่รถก็ทำให้แจ้งไปในตัวอยู่ในปัจจุบันมาต้องเรียงแบบนี้ที่ก็พูดว่าเมื่อกี้ในเรียงแบบนขยายตามเรียงแบบที่นี้ไม่พูดเรียงแบบพูดปัจจุบันที่นี่เมื่อพิจารณาอันนี้ตังเป็นอารมณ์อยู่ เมื่อพิจนาอันนี้จังชัดมันก็เห็นทุกอยู่ในนั้นชัดอีกมันก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัว ต, วตนอยู่ในนั้นชัดอีกไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลอย่างที่นั่นชัดอีกมันก็มี พ, มพี่เมื่อพิจานาอันนี้จังเป็นอารมณ์ความเยอียาจในโลกทั้งหลายคือตัญหาทั้งหลายก็เบาลงเมืนะ่อปัญหาความเสียาจในโลกทั้งหลายเบาลงมันก็เป็นตัวศีลมันก็เป็นตัวสมาธิมันก็เป็นตัวปัญญายอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวทําให้แจ้งอยู่ในตัวไม่ใช่ว่嘛 จะเรียทุกแล้วก็จะเรียนสมุทรไทยแล้วก็จะเรียนมัธยแล้วก็จะเรียนนิโรธ น, นั้นมันเรียงแบบไม่ถูกนะเข้าใจไหมสีนี้เข้าใจนะเข้าใจแล้วกระจางบ้างแล้วนะยังไม่กระจางก็ทำเองเอ้อา